ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อๆในประเทศไทยหลาย ปี พ.ศ. 2391 นะเกิดตอนย่ำ 25 ของ 3 หลวงปู่ท่านเกิด อำเภอตลาดต่อมาก็เปลี่ยนเมืองนครชัยศรีมนทนนครชัยศรีต่อมาก็เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านท่าไม้อำเภอสํารพรานจังหวัดชื่อลิ้ม ท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียว 6 คนโดยตัวคน 5 คนเหตุที่จะมีนามว่า แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะฝังท่านก็ฟื้น 13 ปีโยมพ่อ ชื่อว่าวัดคงคารามตำบลปากน้ำอยู่ปากคลองบางแก้วนั่นแหละ 15 ปีเต็มพระปลัดทองก็ทําการบรรพชา แต่เมื่อมีอายุได้เบียดเบียนอ่าหลวงปู่ 22 ปีณพัทธสีมา 8 ขึ้น 15 ค่ํา ปี 2412 ในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ 30 รูปโดยมีพระปลัดปานเจ้า ร่วมกันให้สรณคมกับศีลแล้วก็สวดกรรมวาจาการที่มีพระอาจารย์เข้าร่วม หลวงปู่บุญถูกวางพื้นฐานในทางธรรมอย่างดีแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัด คืออาจารย์ชุ่มเจ้าอาวาสวัดชีปะขาวบางกอกน้อยเคย ปี 2429 ท่านได้รับแต่งปี 2431 ได้รับแต่ง 2433 ได้รับแต่งตั้งให้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมท่านก็ได้รับแต่งตั้ง 2462 ก็ได้ พระครูพุทธวิถีนายกและปี 2471 ได้ทรง ท่านอุปการะพระลูกวัดๆอยู่กับพ่อโยมแม่ก็มี การจับเอาสัตว์มาเล่นมาทรมานเหมือนกับอื่นๆโยมๆเพื่อมาทำอาหารบริโภคเช่น ท่านก็จนใจต้องสะพายค้องติดตามโยม จำอ่าแล้วหลังจากนั้นมาโยมก็ไม่ได้เอาท่านไปหาปลาอีกเลย แล้วก็ 13 ปีก็มีชีวิตในทางธรรมมาตลอดใน ใครก็ตามที่มีทุกข์ร้อนมาหาท่านท่านจะหรือมาชะตาอ่าเรื่องเคราะเรื่องกรรมอะไรต่างๆเนี่ย คนที่มาหาท่านก็เกรงอกเกรงวันนึงวันนึงหลวงปู่หาเวลาว่าง อ่าในตาของคนที่คุยด้วยเวลาในตาที่ทรงพลังอำนาจอย่าง 2 ท่านองค์แอบถลไหวมา โดยละเลยต่อการปฏิบัติศาสนกิจตามกําหนดหลวงปู่ หลวงปู่ก็ร้องบอกขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวก็จะเป็นตะไคร้ว่าตายซะเป่าๆรีบขึ้น เขาว่าเขาว่าไม่ควรจะนุ่งไอ้สรงร้อยชายหรือภกมานี่มันไม่สุภาพควรจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยสักหน่อยมันถึงจะสมควรข่าว ตั้งแต่ปี 2471 เป็นต้นมาซึ่งหลวงปู่บุญได้ 7 อ่า 81 ปีแล้วงานบริหารกิจการ แต่ว่าระยะหลังๆนี่หลวงปู่บุญกำลังเข้า พระองค์ก็ทรงรับสั่ง 2474 ตอน 84 ปีทางการคณะสงฆ์ ทรงโปรดพระราชทานพระบรม อยู่ในธรรมเป็นประมาณในธรรมเป็นประมาณควรกล่าวว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดๆประพฤติธรรม เมื่อปฏิบัติอยู่นั้น หากว่าเจ้าคุณท่านยังมีชีวิตอยู่ 30 มีนาคม 2478 ตรงขึ้น 8 ค่ํา 5 ปีชวดเวลา 10:45 น. ด้วยโรคอาพาธ 89 ปีบวดได้ 67 67,000 ศาทั้งนี้ก็เพราะ แล้วก็จะ